สวัสดีตอนเช้าครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่เจ็ดสิบแปดนะครับสาวกอัครทูตเพื่อนครับพระวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้อยู่ในพระธรรมลูกาบทที่หกข้อสิบสองถึงสิบสามนะครับโปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าคราวนั้นพระเยซูเสด็จไปที่ภูเขาเพื่อจะอธิษฐานและได้อธิษฐานต่อพระเจ้าคืนยังรุ่งครั้นรุ่งเช้าแล้วพระองค์ทรงเรียกสาวกของพระองค์ แล้วทรงเลือก12คนออกจากหมู่สาวกนั้นที่พระองค์ทรงเรียกว่าอัครทูตพี่น้องครับในเช้าวันนี้นะครับเราจะได้มีโอกาสเรียนรู้ถึงเรื่องราวของพระเยซูที่พระองค์ทรงเลือกสาวกบางคนมาปฏิบัติหน้าที่พิเศษนะครับและเมื่อพระองค์ได้ทรงเลือกทรงงเรียกเขาออกมาเมื่อถึงเวลาพระเยซูทรงมอบหมายหน้าที่พิเศษให้กับพวกเขาทําพี่น้องครับ มีคนพยายามเชื่อถามหลายครั้งนะครับว่าอาจารย์ครับคําว่าสาวกกับอัครทูตนั้นแตกต่างกันอย่างไรนะครับในเช้าวันนี้นะครับผมก็จะขอทําความเข้าใจนะครับมาถึงคำสามคําด้วยกันในเช้าวันนี้ที่เกี่ยวข้องกับคนที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาเป็นคนที่เชื่อในพระเยซูเป็นคนที่บอกว่าตัวเองเป็นสาวกของพระเยซูนะครับสับสามคําในเช้าวันนี้คําแรกก็คือคําว่า believer believer นั้นแปลว่าผู้เชื่อครับศัพท์คำที่สองก็คือ disciple disciple นั้นแปลว่าสาวกนะครับศัพท์คำที่สามก็คือ apostle apostle นั้นแปลว่าอัครทูตให้เรามาค่อยๆดูนะครับว่าความหมายของแต่ละคำนั้นมีความแตกต่างหรือเหมือนกันอย่างไรนะครับคนที่เชื่อพระเยซูนะครับก็เรียกว่า believer คนที่มีความศรัทธาในพระเยซู คนที่รู้ว่าพระเยซูนั้นเป็นพระเจ้าและยอมรับพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยรอดคนที่ได้สารภาพบาปกับพระองค์คนเหล่านี้ครับเรียกว่าเป็น believer ก็คือคนที่มีความเชื่อมีความศรัทธามีความไว้วางใจในพระองค์ยอมรับว่าพระเยซูนั้นเป็นพระเจ้าเป็นพระผู้ช่วยรอดของเขาเขาก็ได้ให้ใจนะครับให้ชีวิตกับพระเยซูนั่นคือ believer นะครับคาที่สองก็คือ disciple disciple นั้นมาจากภาษากรีกนะครับแปลว่ามาเททัสนะครับมาจะทำภาษากรีกนะครับมาเททัสซึ่งแปลว่าผู้ติดตามครับ <S <S ผู้ติดตามในภาษาอังกฤษแล้ว่า follower ใช่ไหมครับ follower นะครับ follower ก็คือผู้ติดตาม <S <S ยิ่งไปกว่านั้นครับในระดับลึกหรือความหมายของคําว่า disciple นะครับก็มีความหมายว่าเป็นนักเรียนเป็นลูกศิษย์ลูกหานะครับแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นเป็นระดับสาวกด้วยก็คือเป็นผู้ที่ ได้ติดตามใช้ชีวิตกับพระอาจารย์ของเขานะครับเป็นคนที่ติดตามเป็นนักเรียนที่มีความสามารถเป็นนักเรียนที่มีทักษะสูงนะครับใช้ชีวิตร่วมกันกับพระอาจารย์มานะครับได้กินได้นอนได้รับใช้กับพระอาจารย์ในรูปนี้ในภาพนี้ทำให้ผมคิดถึงสมัยก่อนตอนที่อ่านนิยายบูริมครับก็คือตอนที่ลูกศิษย์นะครับไปฝากตัวกับพระอาจารย์เนี่ยเพื่อที่จะฝึกวิทยายุทธครับ อาจารย์ก็รับไว้แล้วก็ลูกศิษย์คนนั้นจะต้องไปกินไปนอนไปรับใช้พระอาจารย์ครับไปรับใช้อาจารย์เมื่อรับใช้อาจารย์แล้วอาจารย์ว่างก็จะฝึกวิทยายุทธ์ถ่ายทอดนะครับยุทธศาสตร์ให้เนี่ยครับคือเการเป็นสาวกพี่น้องครับการที่เราทั้งหลายเป็นสาวกของพระเยซูนะครับเราต้องเป็นคนที่ติดตามพระเยซูอย่างใกล้ชิดนะครับในขณะเดียวกันเราก็ต้องเป็นนักเรียนเราจะต้องไป สังเกตดูชีวิตของพระเยซูนะครับซึ่งบันทึกอยู่ในพระคัมภีร์พระเยซูทําอะไรพระเยซูคิดอย่างไรพระเยซูเป็นคนอย่างไรนะครับเราต้องเรียนแบบพระเยซูเป็นคนที่ได้เห็นชีวิตของพระเยซูผ่านทางโภชนะของพระเจ้าอันนี้หมายถึงพวกเรานะครับในสมัยนั้นนะครับพวกสาวกของพระเยซูก็ได้กินได้นอนกับพระเยซูจริงๆครับได้เห็นนะครับได้ยินเสียงพระเยซูได้สัมผัสแตะต้อง ต, ตัวของพระองค์ ได้เห็นว่าพระเยซูแต่ละวันทำอะไรพระเยซูพูดอย่างไรพระเยซูคิดอย่างไรและพระเยซูตอบสนองต่อคนต่างๆหลายๆประเภทอย่างไรนี่นะครับคือชีวิตของพระอาจารย์อีกคำหนึ่งครับในวันนี้ก็คือคำที่สามนะครับ apostle ซ, ซึ่งมาจากภาษ า, ษากรีกว่า apostolos นะครับ apostolos ซึ่งแปลว่า messenger messenger ก็แปลว่าผู้สื่อสารนั่นเองหรือผู้ส่งสารนะครับ และมีความหมายความหมายหนึ่งก็คือว่าคำาสำหรับคําว่า post launch ก็คือ ambassador ครับ ambassador นั้นแปลว่าทูตครับเป็นตัวแทนนะครับที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการนะครับถ้าคำว่า ambassador นั่นก็คือเป็นตัวแทนที่รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการนะครับของประเทศใดประเทศหนึ่งซึ่งเป็นตัวแทนของประเทศนั้นนําข่าวสารสาระของประเทศนั้นไปยังอีกคนอีกกลุ่มหนึ่งหรืออีกประเทศหนึ่ง นี่คือความหมายคำว่าอ p o s t l e พี่น้องครับในพระเจ้าของพระเจ้านะครับเราจะเห็นมัตถิมารโกลูกาญอนั้นได้บันทึกถึงการที่เปเยซูทรงเลือกอะกะทูศิบสองคนนะครับออกจากสาวกทั้งหลายพระเยซูมีความหมายนะครับที่ชัดเจนครับว่าคนเหล่านั้นที่พระเยซูทรงเลือกนะครับสิบสองคนจะออกจากหมู่สาวกมากมายนะครับ พระเยซูทรงเรียกหรือทรงแต่งตั้งให้เป็นอัครทูตแสดงว่าพวกเขานั้นมีฟัง์ชันนะครับหรือมีหน้าที่รับผิดชอบพิเศษนะครับที่พระเยซูมอบหมายให้พี่น้องครับถ้าว่าเรากลับไปดูในพระวจนะของพระเจ้านะครับพระกิติคุณทั้งสี่เล่นนั้นเราจะพบว่าในพระธรรมมารโกและพระธรรมลูกานั้นเน้นถึงความเป็นอัครทูตทาไมครับเพราะผู้เขียนมัด มรารโกนั้นก็คือจริงๆแล้วก็คือเปโตรครับมรารโกนั้นก็ติดตามเปโตรไปตลอดนะครับหลังจากที่เปโตรได้กลับใจหลังจากที่พระเยซูได้ทรงเป็นเครื่องหมายความตายมรารโกนะครับก่อนที่พระเยซูถูกตรึงมรารโกก็เป็นชายหนุ่มนะครับที่หนีหนีไปทิ้งพระเยซูไปนะครับในขณะเดียวกันครับเมื่อเปโตรนั้นเน้นความเป็นอพอลโลเพราะอะไรครับเพราะว่าเปโตรนั้นได้รับการทรงนำจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ นะครับเพื่อที่จะไปประกาศให้กับคนต่างชาตินะครับที่บันทึก อ, อยู่ในพระธรรมกิจการเปโตได้รับลิมิตนะครับพี่น้องครับในขณะเดียวกันลู ก, กาเช่นเดียวกันลู ก, กานั้นจริงๆแล้วผู้ที่เขียนลูกกานะครับลู ก, กาได้ข้อมูลมาเพราะลู ก, กานั้นเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์เปาโลนะครับเพราะฉะนั้นลูกกาเองนั้นก็เขียนโดยเน้นนะครับคอนเซ็ปต์หรือแนวคิดของท่านอาจารย์เปาโลเพราะว่าอาจารย์เปาโลนั้นท่าน กล่าวเสมอครับว่าท่านเองนั้นเป็นอัครทูตเป็นอภรรโซ่นะครับเพราะฉะนั้นครับเราจะเห็นบทเรียนที่นีบอกว่าแม้ว่านะครับคําว่าอัครทูตหรือสาวกเนะครจะเป็นคนกลุ่มเดียวกันนะครับก็คือสิบสองคนนี้นะครับแต่จริงๆแล้วมันมีความแตกต่างนะครับนักวิชาการหลายคนบอกว่าอัครทูตกับสาวกนั้นเป็นคําที่ใช้ทดแทนกันได้ครับจริงครับในที่สุดแล้วนะครับคําว่าดีไซน์เพนะครับ ใช้ทดแทนอพอโซได้เพราะอะไรครับเพราะว่าในที่สุดแล้วเนี่ยดีไซน์เลนั้นจะต้องกลายเป็นอาคารทูดครับดีไซน์เลต้องจะกลายเป็นอพอโซครับพี่น้องครับนี่คือบทเรียนของเราที่ยิ่งใหญ่มากในชาวันนี้ถ้าหากว่าเราเป็นบิลลีเวอร์นะครับธรรมดาเป็นต่อไปนานๆเป็นต่อไปไม่ไม่ได้อีกแล้วเราจะต้องเป็นดีไซน์เลครับนะครับและเมื่อเราเป็นดีไซน์เลนะครับเป็นไปไม่ได้ที่เราจะเป็นดีไซน์เลที่ไม่ได้เป็นอพอโซ พ อ, อไรครับเพราะในที่สุดนะครับดีไซน์เพลจะกลายเป็นอัครโซเพราะเนื่องจากว่าทุกๆดีไซน์เพลหรือสาวกทุกคนสาวกทุกคนที่พระเยซูส่งเรียกพระองค์ได้แต่งตั้งเขาให้เขาเป็นผู้ที่ประกาศข่าวประเสริฐครับพีงครับในเช้าวันนี้นะครับผมอยากจะใช้คำว่าเราซึ่งเป็นสาวกนั้นเราจะต้องสำแดงชีวิตแห่งความเชื่อในการเป็นอาาัครทูตเพราออะไรครับเพราะว่าพระเยซูได้ส่ง เลือกและส่งเรียกอาครทูตออกมาเพื่อประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าพเพียงครับก่อนหน้าที่สาวกของพระเยซูนะครับจะถูกเรียกว่าเป็นคริสเตียนสาวกของพระเยซูถูกเรียกว่าอะไรครับถูกเรียกว่า disciple ก็คือถูกเรียกว่าสาวกครับไม่ได้มีความหมายเปลี่ยนไปเลยนะครับเพราะเหตุที่ว่าพระวจนะพระเจ้าได้บันทึกไว้นะครับว่าในพระธรรมกิจา ก, การบทที่11ก้อ26นะครับคนที่ติดตามพระเยซูนั้ น, น, น พวกเขาถูกเรียกว่าเป็นคริสเตียนเป็นครั้งแรกที่เมืองอันทิโอกนะครับแสดงว่าอะไรครับก็คือคนที่ติดตามพระเยซูนั่นแหละครับคนที่เป็นบิลิเวอร์นั่นแหละครับคนที่เป็นดิไซเพลนะครับก็คือถูกเรียกมาในสมัยต่อมาว่าเป็นคริสเตียนนะครับท่านนัการบารูเองท่านก็พิสูจน์ตัวของท่านนะครับว่าเป็นอพอลโลในพระธรรมสองโครินธ์บทที่สิบสองข้อสิบสองนะครับยิ่งไปกว่านั้นครับในมุมมองหนึ่งของพระอภีนะครับก็ยังมี อัครทูตของซาตานด้วยครับอันนี้ดักหนาสาหัสครับเพราะว่าคนเหล่านั้นเป็นคนรับใช้ซาตานซึ่งบันทึกอยู่ในสองโครินธ์บทที่สิบเอ็ดข้อสิบสามถึงสิบห้าพี่น้องครับให้เรากลับมาคิดถึงชีวิตของเรานะครับเราเป็นบิลีเวอร์แน่นอนครับขอบคุณพระเจ้าเราได้รับความรอดแล้วในขณะเดีกกันพระเยซูต้องการให้เราเป็นดีไซเนอรก็คือเป็นคนที่ติดตามพระเยซูนะครับเป็นคนที่เรียนรู้ เป็นคนที่ฝึกฝนชีวิตเปลี่ยนแปลงชีวิตให้เหมือนพระเยซูนะครับเป็นคนที่ฝึกวิทยายุทธ์ของพระเยซูต้องอยู่ใกล้ชิดกับพระเยซูรับใช้พระเยซูในขณะเดียวกันครับเมื่อเราเป็นสาวกแล้วเราจะต้องเปลี่ยนสภาพของเรานะครับรับการทรงเรียกจากพระเจ้าให้เป็นอพอลโลครับก็คืออัครฑูต ท, ที่จะทําให้ชีวิตของเรานั้นจะเกิดผลมากครับสวายเกียรติแด่พระองค์ขอให้เช้าวันนี้เป็นเช้าอีกวันหนึ่ง เราจะสำรวจชีวิตของเราเองที่ในที่สุดนั้นเราต้องตั้งธงนะครับปักเป้าของเราให้ชัดเจนว่าเราจะต้องมีชีวิตของอัครทูตให้ได้อาเมน